หรือเรื่องที่เขาเล่าว่าตำนานต่างๆโดยในแต่ละเรื่องนั้นก็จะแฝงด้วยสาระศีลธรรมธรรมะอาจจะมีประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากก็น้อยทางเราหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระและความบันเทิงจากนิทานที่เราสรรหามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอเสนอนิทานหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครั ว, รวหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ชายป่าอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด และสัตว์ป่า น, น้อยใหญ่ครอบครัวนี้มีทั้งหมดอยู่5้าคนมีพ่อแม่และลูกๆอีกสามคนซึ่งเป็นผู้ชายล้วนอาชีพของครอบครัวนี้ก็คือการทำฐานขายโอ้ผมลืมบอกไปครับว่าลูกชายทั้งสมคนนั้นเป็นอย่างไรคนโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นรูปร่างกำยำแข็งแรง ดูคล้ายบิดามากคนรองก็ไม่เป็นรองคนโตมากห่าง ก, กัน1ปีส่วนเจ้าคนที่3นี่สิห่างจากพี่น้องเพียงสองปีแต่แปลกชะมัดที่ร่างกายของเขานั้นช่างบอบบางเล็กดูไม่ค่อยมีเรียวเมแรงเหมือนกับพี่ทั้งสองเลยจึงทำให้เขาไม่เป็นที่โปรดปรานของพ่อแม่มากนะักด้วยพ่อแม่อาจจะมองว่าบุตรคนนี้อาจจะไม่สามารถพึ่งพาไดในยามยากนแน่ จึงมักจะเผอ ล, ลำเอียงเอาใจใส่ดูแลแตาบุตรคนโตกับคนรองเป็นพิเศษโดยลืมสนใจบุตรคนที่สมผมขอเรียกสั้นๆว่าเจ้าโตเจ้ารองเจ้าเล็กแล้วกันนะครับเจ้าเล็กคนที่สนี้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะปลื้มเขานักแต่เขาก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจใดทั้งสิน้นเขาเพียงหวังว่าวันหนึ่งหากเขาแข็งแรงเขาได้ดีเขาไม่ทอดทิ้งบิดากับมารดาทั้งสองแน่นอน นี่คือปฏิฐานที่เขาตั้งใจไว้ตรงตามแบบฉบับของพระเอกเปียบวันหนึ่งบิดาได้ียกบุตรชายคนโตเข้ามาหาพร้อมกับบอกว่าเอ้ยเจ้าโตโอเอ้ยพ่อไม่ค่อยสบายและเจ้าก็โตเต็มที่แล้วด้วยบัดนี้พ่อเขาสั่งให้เจ้าออกไปหาไม้มารรทมฐานแทนพ่อเจ้าจะรับหน้าที่นี้ได้ไหมเมื่อเจ้าโตได้ยินก็บอกว่า <c oughs> ท่านพ่อเรื่องกนะิฟต้อยน่ะท่านสัง่งข้ามาได้เลยข้าพร้อมทุกเมื่อว่าแต่จะให้ข้าไปตัดฟืนวันไหนล่ะครับเอาเป็นว่าี่เสียงพ่อนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พ่อจะให้แม่ทําหุงหาอาหารให้เจ้าเพื่อออกไปตัดไม้มาทาฐานแล้วกันนะลูกนะได้เลยครับพ่อครั้นเมื่อถึงเวลาเช้ามารดาก็ได้ทาหุงหาอาหารอย่างดี น้ำผลไม้ที่หมักไว้อย่างดีเพื่อเตรียมเป็นสเสบียงให้กับบุตรชายคนโตออกไปตัดไม้มาทำฐานเดินทางร้อนแดดออกไปได้สักพักเจ้าโตก็เหลือบไปเห็นชายแก่คนหนึ่งซึ่งมีร่างกายสู้ผมผมงอขาวนั่งอยู่ระหว่างทางที่เขากาลังจะไปตัดไม้ชายแก่คนนั้นหันไม่เห็นเจ้าโตกาลังเดินไปตัดไม้ก็ร้องตะโกนมาก่อนเลย โอ้ยพ่อนุมเจ้าพูดสง่างามขอให้เจ้าโชคดีในการเดินทางเข้าป่ามาดีนะยังไม่ทันที่จะตอบโต้อะไรไปชายแก่ก็กล่าวคำอีกว่าอืเมืม่อเจ้าได้รับพรจากข้าแล้วข้าขอแบ่งปันอาหารกับน้ำที่เจ้ามีให้ข้าสักนิดหนึ่งจะได้ไหมพ่อนุมเฮ อ, อ, อะไรกันตา นั่งอยู่กลางป่าดู ย, ยูมาขอข้าวขอน้ําข้ากินได้ยังไงข้าไม่ให้รอกข้าไม่รู้จักท่านท่านไม่รู้จักข้าคําอวยพรแค่นี้หรือจะมาแลกกับอาหารที่แม่ข้าทําอันแสนจะน่าอร่อยได้เช่าว่าแล้วเจ้าโตก็เดินหันหลังไปโดยไม่สนใจชายแก่สักนิดแต่วันนั้นเป็นเคราะหามยามร้ายของเจ้าโตหรือเปล่าไม่ทราบการตัดฟืนตัดไม้ของเขาพลาด ขวานกระเด็นกระดอนมาโดนขาของเขาเป็นแผลใหญ่บาดเจ็บจนไม่สามารถทํางานต่อไปได้สุดท้ายก็ได้แต่พาร่างกายอันบาดเจ็บกลับบ้านไปให้แม่รักษาและนอนสมอยู่บ้านจึงเป็นหน้าที่ของเจ้ารองล่ะทีนี้เจ้ารองก็เมื่อมีไปทางเลี่ยงก็ต้องรับหน้าที่แทนพี่คนโตเช้าวันต่อมา มารดาก็ทำอาหารอันแสนอร่อยกับน้ำผลไม้ให้กับลูกคนรองอีกเจ้ารองก็เดินทางไปกลางป่าเหมือนกับที่คนโตเดินไปเมื่อวันนี้เลยระหว่างเดินไปเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกแล้วพบกับชายชรากลางป่าระหว่างทางอีกแล้วเรื่องมันเหมือนเดิมจริงๆชายชราก็ตะโกนโวยพรเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้ยพ่อหนุ่ม เหมือนเดิมเลยแล้วก็ขออาหารจากเจ้าคนรองเจ้าคนรองเมื่อดียินก็พูดเหมือนเดิมเหมือนกันอะไรกันท่านลุงเออเอ อ, เ, อ, อเมื่อวานพี่คนโตเรียกตาวันนี้เรียกลุงไอ้นี่สงสัยจะตาดีข้าเ บ, บแบงล็อกเพราะว่าอาหารเนี่ยแม่ทำาให้ข้าผลไม้อะไรก็ในป่าก็มีลุงก็เก็บกินเอาเองสิ มาเบียดเบียนข้าทำไมว่าแล้วเจ้ารองก็เดินจากไปโดยไม่ใหญ่ดีชายแก่คนนั้นเหมือนเดิมเรื่องเหมือนเดิมเปียบและที่เหมือนเดิมยิ่งกว่า น, นั้นก็คือเขาหามยามร้ายอีกแล้วการตัดไม้ตัดฟืนของเจ้ารองนั้นพลาดขวางกระเด็นกระดอนแต่มาโดนแขนเลือดตกยางออกบาดเจ็บอีกแล้วไม่สามารถตัดไม้อีกแล้วก็ได้แต่พาร่างกายอันบาดเจ็บ กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังเหมือนเจ้าโตปัดนี้แย่แล้วสิเพราะบุตรชายผู้แข็งแรงทั้งสองของครอบครัวนี้บาดเจ็บจากการออกไปตัดไม้พ่อกับแม่ก็นั่งเครียดกันใหญ่แต่เจ้าเล็กใช่เจ้าเล็กบุตรชายคนที่สามเมื่อได้เห็นเรื่องราวต่างๆก็อาสาขึ้นมาทันทีพ่อครับ บัตรนี้ถึงเวลาที่ผมต้องออกไปตัดไม้ช่วยครอบครัวเราแล้วครับพ่อได้โปรดอนุ ญ, ญาตให้ผมออกไปทํางานทีเถอะครับเมื่อพ่อดีนินพ่อหันมามองด้วยสายตาที่ดูแคลนเหลือเกินโอ้ยพี่ชายที่แข็งแรงของเจ้าทั้งสองขนาดเขาทั้งสองแข็งแรงยังบาดเจ็บกลับมาขนาดนี้และเจ้าล่ะอ่อนแอปวกเปียอย่างนี้ออกไปรังแต่จะบาดเจ็บกลับมาเป็นภาระให้พ่อกับแม่เปล่าๆเนอนอยู่นี่แหละ แต่ด้วยความกระตันยูและความกระตือรือร้นของเขาจึงรบเ้าบิดาของเขาต่อไปจนบิดาเข้าใจอ่อนจนต้องอนุญาตให้ออกไปเช้าอีกวันบรรดาของเขาได้ทำอาหารให้เขาออกไปเช่นเดียวกับพี่ชายทั้งสองเหมือนกันแต่อาหารช่างแตกต่างกันมากมีเพียงข้าวเหนียวก้อนเล็กๆ ก, กับปลาแห้งเพียงไม่กี่ชิ้นและน้าเปล่าแต่ถึงกระนั้น เจ้าเล็กก็ดีใจสุดๆที่วันนี้จะได้ออกไปประจ o ภัยสักทีเจ้าเล็กออกเดินทางไปถึงกลางป่าก็พบกับชายชราเหมือนกับที่พี่ทั้งสองได้พบมาแล้วเช่นกันชายชราก็ตะโกนแบบบทเดิมเลยโอ้ยพ่อหนุม่มผู้สง่างามขอให้เจ้าโชคดีในการเข้าป่ามาหาไม้นะเมื่อเจ้าเล็กได้ยินเจ้าเล็กก็หันไปยิ้มให้ ชายชราก็พุ่งมาตอบมั น, นทีว่าเจ้าเดี๋ยรับพรจากข้าแล้วข้าขอเศษอาหารเศษน้ํากินแบ่งปันกับข้าหน่อยจะได้ไหมข้าหิวเหลือเกินเจ้าเล็กหันมายิ้มแล้วก็ตอบว่าได้ครับลุงถ้าลุงอยากกินแต่เพียงแต่มันมีแต่ข้าวเหนียวกับปลาแห้งเพียงไม่กี่ชิ้นนะแต่กินกับผมก็ได้ว่าแล้วเจ้าเล็กก็เดินไปหาชายชลาคนนั้นนั่งลงและแกะห่อข้าออกมา แต่ที่น่าแปลกประหลาดก็คือพอข้าว้วยแก่ออกมานั้นไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวกับปลาแห้งแต่กลับกลายเป็นอาหารอันแสนนะ่อาอริดอร่อย ก, กินกันกับชายชลาคนนั้นอย่างอิ่มมีพีมันไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่ออิ่มมีพีมันกันหมดแล้วชายชลาก็บอกว่าเอ้ยเจ้านดมเอ้ยในฐานะที่เจ้าเป็นคนดีมีน้ำใจกับข้าข้าจะ บอกบางอย่างให้เจ้ารู้เจ้าเดินทางไปตรงทิศเหนือเห็นต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นไหมให้เจ้าไปโค่นต้นไม้นั่นแหละเตรียมไปกลับบ้านไปทำฐานของเจ้านั่นแหละแต่ที่โคนต้นไม้เจ้าจะพบกับสิ่งของหนึ่งอย่างเจ้าจงเอาสิ่งของนั้นและมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปจนกว่าจะพ้นป่าแล้วเจ้าจะพบกับความโชคดีจำคำขค่า ว, วนะ พูดจบชายชลาคนนั้นก็เดินจากไปในทันทีเมื่อจจหนุ่มได้ยินคำอย่างนั้นก็มุ่งหน้าเดินไปตามที่ชายชลาคนนั้นกล่าวอ้างทันทีเมื่อไปถึงต้นไม้นั้นก็โค่นลงมือโค่นโค่นโค่นโค่นโค่นจนต้นไม้ลม้มและเมื่อต้นไม้ล้มนั้นเองสิ่งที่อยู่ใต้รากของต้นไม้นั้นคือห่านทองคำใช่ห่านทองคำด้วยความดีใจ เขาจึงรีบอุ้มมันขึ้นมาไว้ที่อกแล้วก็เดินทางต่อไปตามที่ชายชราบอกเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มมืดลงมืดลงสายตาเขาเหลือไปเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าพอที่จะพักค้างแรมได้จึงได้เดินเข้าไปขอพักอาศัยค้างแรมสักหนึ่งคืนเจ้าของบ้านนั้นก็เป็นคนใจดีก็อนุญาตเขาพักแรมได้หนึ่งคืนบ้านนี้มีลูกสาวอยู่สามคน ซึ่งแต่ละนางนั้นหน้าตาดีหญิงสาวทั้งสามคนเมื่อเห็นหานทองคำที่เจ้าเล็กอุ้มไปในใจก็นึกอยากจะได้ขนของหานทองคำสักเส้นสองเส้นเอามาป ร, รับบา ร, รมีเพิ่มฐานะให้กับครอบครัวได้ก็ไม่น้อยทีเดียวดึกคืนนั้นระหว่างที่เจ้าเล็กกำลังหลับพักผ่อนจากการเพลียจากการโค่นต้นไม้ใหญ่พี่สาวคุณโตก็ได้ย่องเข้าไปหาในห้องของเจ้าเล็ก ซึ่งนอนพักอยู่เอื้อมมือค่อยๆจะไปดึงขนของหานแต่เมื่อมือไปสัมผัสกับขนของหานนั้นสิ่งที่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นมือของนางนั้นติดอยู่กับตัวหานโดยไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนามก็ได้แต่เงียบไว้ตกใจสุดขีดจะดึงมือออกก็พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่ออกประจบกับที่น้องสาวคนรองก็อยากจะได้ขนของหานเช่นเดียวกัน เดินมาเห็นพี่สาวเอามือจับฮานอยู่ก็คิดในใจแหมแอบมปเอาคนเดียวเช่นนะอย่างงี้เราต้องเอาด้วยซะแล้วสิว่าแล้วเธอก็เดินเข้าไปจับที่บ่าของพี่สาวเมื่อแตะโดนที่บ่าของพี่สาวนั่นแหละพระเจ้าช่วยมือของเธอก็ติดอยู่กับตัวของพี่สาวจนไม่สามารถจะดึงออกได้เช่นกันเธอทั้งสองก็ได้เงียบพกกัวว่าเจ้าเล็กจะตื่น ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาน้องสาวคนสุดท้องนี่สิแอบเข้ามาเหมือนกันเมื่อเห็นพี่สาวกําลังเย่นเยอะกันอยู่ก็รีบตรงเข้าไปหมายจะผสมรงด้วยพี่สาวหันมาบอกว่าไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาน้องสาวคนที่สามก็คิดในใจแหมคิดจะฮุบคนเดียวใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วเธอก็เอามือไปแตะพี่สาวคนที่สอง ทำให้ทั้งสามสาวนั้นติดอยู่กับหานทองคําที่เจ้าเล็กนอนกอดไว้จนถึงเช้าขันเมื่อเช้ามาเจ้าเล็กตื่นนอนมาก็เห็นสามคนนั้นเอามือแตะหานของเขาไว้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะใจเขายังคิดถึงคำพูดของชายชราที่บอกเขามุ่งหน้าไปทางเหนือให้พ้นชายป่าเขาจึงได้อุ้มหานและเดินจากไปทั้งที่มีสามสาวนั้นเดินติดหานไปด้วย กระเตงกันไปล่ะครับว่างั้นเลยเมื่อเดินไปได้สักพักใกล้ๆจะพ้นกับแนวป่าก็มีมักคนายกท่านหนึ่งนั่งมองอยู่เอผู้หญิงสมัยนี้มันอะไรเนี่ยเดินตามผู้ชายเป็นพวนเชียหน้าไม่อายเลยสงสัยต้องเข้าไปตักเตือนสันหน่อยว่าแล้วมักคนายกก็เดินเข้าไป เมื่อเอามือไปส ก, กิดที่บาของสาวคนที่สานั่นแหละมือของมัรคนายกก็ติดกับบาของสาวคนที่สอีกเช่นกันไม่สามารถดึงออกได้เช่นกันกลายเป็นร่วมขบวนตามหารทองคําของเจ้าเล็กต่อไปเดินกระเตงกระเตงกระเตงกระเตงไปปุ๊บก็มีคนรู้จักกับมัรคนายกตะโกนมีอีกท่านมรรคนายกท่านมรรคนายกอะไรกันเนี่ยที่วัดน่ะ มีงานพิธีกรรมอยู่รอท่านอยู่เนี่ยทาอะไรนี่มานี่เร็วว่าแล้วชายคนนั้นก็วิ่งไปดึงมือของมรคนายกเหมือนเดิมเช่นกันก็กลายเป็นติดตัวของมรคนายกไปอีกเป็นขบวนรวมแล้วเนี่ยติดกับหานทองคําไป5้าคนแล้วนะครับไปสักพักเจ้าเล็กก็ไม่สนใจก็เดินต่อมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อไปกลจะพ้นกันแนวชายป่าอยู่แล้ว มีชาวนาอยู่สองคนทำนาอยู่แถวนั้นมองอยู่เอ๊ะเขาอะไรกันเนี่ยก็เลยได้เดินจูงมือกันเข้าไปถามขาบวนนั้นอยู่แล้วก็เอามือไปจับโดนกับคนที่ติดกับมรคนายกกลายเป็นสมาชิ ก, กรวมแก๊งทั้งหมด7คนผู้ติดหานก็เดินไปพอจะพ้นแนวป่าเห็นลิบๆก็เห็นว่าพ้นป่าไปเนี่ย จะมีมหาราชวังอยู่ราชวังหนึ่งเห็นอยู่เลยเนี่ยเจ้าเล็กกำมุ่งหน้าไปตามด้วยขบวนผู้ติดหานทั้ง7คนนั่นแหละและเมืองที่เจ้าเล็กกำลังมุ่งหน้าไปหาอยู่นี้ก็เป็นเมืองที่มีองค์หญิงผู้เลอโฉมอยู่หนึ่งพระองค์ซึ่งประจบเหมาะมากที่เมืองเมืองนี้กําลังจะมีพิธีเลือกคู่อภิเษกสมรสให้กับองค์หญิงพระองค์นี้โดยพระราชาผู้ครองเมืองนี้มีกฎบัญญัติไว้ว่า หากใครก็ตามที่สามารถทำให้องหญิงลูกสาวของพระองค์นี้หัวเราะหรือยิ้มแย้มได้ก็จะพิจารณารับเป็นราชบุตรเขยทันทีเนื่องจากพระราชธิดาของพระองค์นี้ตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาก็ไม่เคยมีรอยยิ้มให้ได้เห็นไม่เคยหัวเราะให้ได้ยินเลยเป็นจังหวะที่ดีเหลือเกินที่เจ้าเล็กได้มุ่งหน้าไปหาดีอย่างไร ัฟงต่อครับ้นเมื่อเดินทางเข้าไปในเมืองแล้วด้วยเป็นขบวนอย่างนั้นแห่กันไปแบบนั้นเป็นที่สะดุตาของผู้คนในเมืองนั้นยิ่งเจ้าเล็กก็เห็นประกาศการเลือกคู่จึงอยากจะเข้าไปดูบ้างจึงได้เดินทางเข้าไปในมหาราชวังประจบกับที่องค์หญิงกำลังนั่งทอดพระเนตรลงมาเห็นเจ้าเล็กเดินเข้ามาในวังด้วยขบวนอันแสนประหลาดนั้นพันก็เกิด หัวเราะชอบใจยิ้มแย้มยังไม่เคยเกิดขึ้นพระราชบิดาเห็นจึงตกใจมากจึงเรียกให้ทาหารนำตัวเจ้าเล็กเข้าไปหาทันทีและสิ่งที่แปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือบัตรนี้หานทองคำของเจ้าเล็กได้สลัดตัวออกจากอกและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหายลับไปกับตาผู้คนที่ติดตามมามือก็พันหลุดออกจากกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อพระราชาเรียกเจ้าเล็กเข้าไปในวังปุ๊บเจ้าเล็กก็เข้าไปนอบน้อมถวายบังคมกล่าวความเป็นมาพระราชาดูแล้วรูปทรงเจ้านี้นี่ไม่เหมาะกับลูกเราเลยผอมบางเหลือเกินก็คิดในใจว่าไม่อยากได้เลยเอาอยัางไงดีนะคิดไปคิดมาได้อุบายว่าข้ามีเงื่อนไขอีก หากเจ้าอยากจะอภิเสกสมรสกับบุตรสาวข้าแล้วก็เจ้าจงหาวิธีจัดการกับอาหารที่ข้าจะเตรียมไว้ให้เจ้าโดยสูงท่วมหัวเจ้าน้ํำผลไม้ที่สูงท่วมหัวเจ้าเช่นกันหากเจ้าทําได้เราก็จะยกพระราชธิดาให้เป็นภรรยาของเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดใดทั้งสิน้นเจ้าเล็กเมื่อดีอย่างนั้นใช้เวลาหยุดคิดนิ่งสักครู่พันก็มีความคิดดีๆออกมาว่า ได้การละ ว, ว่าแล้วเจ้าเล็กก็ขอพระราชาด้ญาตกลับเข้าไปในป่าเช่นเดิมเมื่อกลับเข้าไปในป่าเจ้าเล็กก็ไปพบกับชายชาราผู้หิวโหยอยู่เหมือนเดิมจึงเรียกท่านตาท่านตาข้ามีเรื่องให้ ต, า, ตาช่วยโอ้ยอะไรล่ะพนุม่มข้าจะไปช่วยอะไรใครได้ข้าก็นั่งหิวของข้าอยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีแรงอยู่แล้วจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าเหรอ ท่านตาท่านจงไปกับข้าข้ามีของให้ท่านกินจนอิ่มหมีพี่มันจนลืมหิวเลยแหละว่าแล้วเจ้าเล็กก็จุงมือชายฉลาผู้นั้นวิ่งเข้าเมืองไปทันทีเมื่อเข้าไปถึงในเมืองก็พบกับกองอาหารอันสูงท่วมหัวน้ำผลไม้ในแก้วที่สูงท่วมหัวเช่นกันเจ้าเล็กไม่รอช้าท่านตาเชิญท่านกินได้ตามสบายเลยอย่าให้เหลือเชียวนะ โอ้ยดีแท้เจ้านี่มันใจดีมีน้ำใจจริ ง, รงๆว่าแล้วชายชราผู้หิวโหวยผู้นั้นก็ซัดทุกอย่างเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอ <c oughs> เมื่อชายชาราได้กินอาหารจนอิ่มมีพิมันแล้วพรานก็แปลงร่างกลับเป็นเทวดาและบอกกับเจ้าเล็กว่าเจ้าหนุ่มเอ้ยกายมีน้ำใจของเจ้านี่แหละที่ทาให้เจ้าประสบ <t> แต่ความโชคดี บุญที่เจ้ามีข้ารอเวลาให้เพียงแต่หากเจ้าไม่มีน้ำใจเจ้าก็จะไม่ได้รับพรจากข้าเช่นกันขอให้เจ้าจงประสบแต่ความโชคดีว่าแล้วเทวดาพวกนั้นก็หายตัวไปและแล้วเจ้าเล็กก็ได้อภิเศกสมรสกับองค์หญิงแห่งเมืองนั้นในการต่อมาเจ้าเล็กจึงส่งคนไปรับบิดาการมันดาและพี่ชายทั้งสองเข้าอาศัยอยู่ในเมืองนี้ให้อยู่ดีมีสุขเช่นเดียวกับตน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำว่าน้ำใจแม้เพียงน้อยนิดแต่อาจพลิกผันชีวิตของท่านได้สวัสดีครับ